ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุมภาพันธ์2558ามีชื่อเรื่องว่านางกีสาโคตมีวันนี้อาตมาภาพได้ออกมาจากวัดก็คิดว่าจะมาให้เร็ว พอมาเดินทางมามีแต่รถอ้อยเต็มถนนไปหมดเอเอก็ เ, อเลยทำเดินทางช้าเลยตอนนี้กว่าจะกว่าจะแซงรถอ้อยแต่ได้แต่ละคันโอ้โถโถโเดืดรถอ้อยกำลังออกเพราะตอนเย็นๆรถรถอ้อยก็ออกมาจากป่าวันนี้ท่านท่านเจ้าภาพท่านได้ กราบวาราธนานนมนหลวงพ่อมาเพื่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อกับทีแรกก็คิดว่าจะมาวันพระราชทานเพลิงวันที่8แต่หลวงพ่อก็ติดภารกิจทางสอง2 ง, งานในวันนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเขียนขึ้นไป้ายไว้แล้วนะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยขึ้นเลขเจ็แล้วการที่จะไป ที่ใดรับนนมวลที่ใดเน่ยหลวงพ่อคงจะผ่อนผ่อนลงล ะ, ะเพราะว่าขึ้นเลขเจ็ดแล้วมันไม่สนุกแล้วแต่ที่ไหนได้งานก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อีกเหมือนกันทนี่แต่ ว, ว่าในคราวนี้กันเนี่ยท่านท่านจวัรนกับคุณนายรู้จักมักคุนกัะแต่นมนานแตนแต่สมัยหลวงพ่ออยู่ บ้านตาดก็ว่าได้มากับขาวนี้ก็ท่านคนนิมนต์หลวงพ่อคืออ้าวก็ได้มาในวันนี้แหละได้มาพบคณะสัทยาญาติาโยมลูกหลานทุกคนโยมคุณตาคุณตาอารุณแต่สุวรรณอายุแปบเจดปีก็ อ, อยุมากแล้วเนี่ย อแต่นามส ก, กุลแต้สุวรรณในหลวงพ่อก็มีโยมคนหนึ่งทางกรุงเทพนะแต่เป็นคนมาจากนครพนมเอแต่ว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนนครพนมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอฮะ<า>เออในเจ๋ง่ะเจ๋งแต่สุวรรณที่ที่กรุงเทพน ะ, ะนัะ่นแหละเคยมาหาหลวงพ่อมาบ่อย ทั้งคุณแม่ทั้งคุณทจ้งคุณพ่อเนี่ยเสียไปแล้วยังเหลือแต่คุณแม่นะอันนี้มาเห็นนามสกุลแต่สวนอา้าวนามสกุลของเก่งนวา <c oughs> แต่ถึงยังไงถึงคุณพ่ออายุมากแต่ลูกหลานทุกคนเอ่อทั้งลูกทั้งหลานผู้เกี่ยวข้องพอท่านจากไปแล้วก็มันเหมือนกับ อะไรสัทธานวันไหวลึกๆอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันอยู่กับองค์หลวงตาเออพระองค์หลวงตาจากไฟเนี่ยรู้สึกว่ามันสัทธานวันไหวอคล้ายว่ามันมันมันรู้สึกรู้สึกอยู่ข้างในยึกลึกๆแต่มันพูดอะไรจะจะทํำยังไงฮะแล้วก็มาถึงหลวงปูกล่าก็เหมือนกันที่เป็นครูบาอาจารย์นี่ก็เหมือนกันนะความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกของลูกของหลานทุกคน ในเมื่อมาถึงคราวผู้ที่เราพวกเรารั ก, รกเคารพที่จากไปในความรู้สึกมันสถานหรือว่าวันไหวแต่จะทำยังไงได้พอโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีไปได้ เ, เรื่องมรณะภัยคำนี้นะ นันแนวทางของพุทธศาสนาท่านจึงจะทำยังไงมีแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทนะที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านบอกกล่าวแนะนําอาต่อนนี้ไปาอาตมาและหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมสังเวธนิยกถาแสดงธรรม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 ขยวัวยธรรมมาสังาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้เป็นวันที่คณะรัายาติยมลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องคือหลวงตาอารุณแต้สุวรรณท่านก็อายุก็มากพอสมควรแปดสิบเจ็ดปี ท่านม่นท่านมรณภาพเมื่อวันที่สวันที่สี่กุมภาพันธ์ท่านได้จากลูกหลานไปแต่ถึ่ยังไงลูกหลานทั้งหลายที่เป็นที่รักเคารพคือร่มโพร่มใสของลูกหลานในเมื่อต้นร่มโพร่มใสโค่น ล้มลูกหลานก็จะต้องอมีความรู้สึกสถานหวั่นไหวในจิตในใจมากทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกว่าบ้างไม่ใช่ว่าอย่างนั้นมากทีเดียวเพราะว่าพวกเราได้อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงยังไง ทางพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงท่านไม่ได้พูดได้กล่าวอะไรแต่พวกเราเขามาก็ยังมีที่มุ่งเรือ ว, ว่าเป็นที่ว่างปิดที่หวังลึกๆใน จ, ใจิตใจอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดกับคณะรัตยาญาติโยมว่าเมื่อหลวงปู่ล่าที่เป็นที่หลวงพ่อเป็นสมมาณี น, น้อยอยู่กับท่านเมื่อตั้งตั้งแต่อายุ1112ปี จนได้บวชเป็นพระเป็นเวลาถึง9ปีอยู่กับองค์ท่านจากนั้นก็ได้มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัว เ, เมื่อพรรษาที่สี่มาเอาพรรษาที่หที่วัดป่าบ้านตาดจน 2, 25งพยยีเป็นเวลา14ปีอยู่กับองค์หลวงตานี่แหละเวลาครูบาอาจารย์หรือหลวงปูลง่ล่าเวลาขึ้นไปบนภูเข า, เาไปเห็นท่านเอเออบพุ่นเออพอเราเป็น เด็กน้อยเนน้อยอยู่กับองค์ท่าน เ, าเมื่อเราเป็นพระแล้วไปถือวันท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารยเา์เวลาขึ้นไปก็อบอุ่นพอท่านจากไปเท่านั้นแหละรู้สึกว่าจิตใจขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนหลังเขาแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่เยน็นไม่ใช่เย็นแบบนะั้นเย็นเย็นใจเย็นลึกๆคล้ายๆกับว่ามันลักษณะว้าเวีว้าเวีอ้างว้างาในความรู้สึก พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายลุงพกก่อเคคิดว่าอารมณ์เช่นนั้นก็คงจะเกิดขึ้นกับพวกเราแต่ถึงยังไงจะทํำยังไงได้เพราะว่าชีวิตของพวกเราอย่างที่พระพุทธ เ, เจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่ามรณะธทมโ ม, มหิมรณงอนัตติโตเออเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เออ นี่ะอันนี้ก็คือทมคำสอนที่ท่านได้ตรัสเอาไว้มีเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่ตามไม่จริงมันถูกกับใครแต่ในคาพูดนันก็คือธรรมดาแต่เมื่อถูกกับใครแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาเ อ, อมันยิ่งพอถือเจอกับเราแล้วก็สะท้านวันไหวมากที่เดียวไม่ใช่ธรรมดาแต่ถึงยังไงจะทำยังไงได้ ถ้าจะไม่ทำใจตัวเองคงไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องรู้วางทำใจของตนเองว่าชีวิตเกิดของเราเกิดมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องประสบพบเห็นอย่างนี้ไม่มากก็ น, น้อยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงหนีออกจากเวียงวังทำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกจากเวียงวัง ก็เพราะว่าท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายของมนุษย์ชาติตั้งที่ท่านอยู่ในเวียงวงังท่านก็มีความสุขถ้าจะว่าไปท่านสมบูรณ์ยิ่งกว่าพวกเราเป็นใดๆแต่ท่านทําไมจึงหนีออกมาจากไปบวชเป็นเป็นนักพรตนักบวชอยู่ในป่าท่านเห็นอะไรท่านมีความรู้สึกยังไงในช่วงนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้าทังหวัดท่าน เสด็จออกไปชสมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่ เ, เป็นอันดับแรกพอไปเห็นคนแก่แล้วไปเห็นคนเจ็บจากนั้นก็ไปเห็นคนตายแล้วก็ไปเห็นสัมมณะสัมมณะคือนักพรตนักบวชคือนักบวชท่านคนนั่งอยู่โครนต้นไม้ตามลำพังนักบวดนั่งขัดสมาธิอยู่ตามลำพังนิ่ง ท่านไปถึงสี่วันนะไม่ใช่ไปติดต่อในวันเดียวนะเห็นวันหนึ่งไปเห็นคนแก่แล้วก็กลับเบียงวัง เ, เสียความรู้สึกนะแล้วก็ไปอีกวันที่สวันที่สามที่สี่ไปอีกไปเห็นคนเจ็บชักดิ่นสักงออยู่ในเปที่คนเจ็บก็ถามนายถีในายผู้ขับรถมา้าอันนั้นเป็นใครในายชันนาเป็นผูเ้เป็นผู้ขับรถมา้า อันนั้นก็คือคนเจ็บออท่านก็สลดใจอีกเหมือนกันต่อมาไปเห็นคนตายจากนั้นก็ไปเห็นส ม, มณะถ้าพอเห็นส ม, มณะเนี่ยคิดได้สํานึกได้แบบถ้าหากว่าเราออกไปนั่งคิดคุ้นคิดอย่างส ม, มณะท่านนี้น่ยไปอยู่ตามลาพังอยู่ในโคลนต้นไม้เสร็จแล้วก็นั่งคุ้นคิดหาทางออกคงจะมีทางแต่ถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวัง มีภาระธุระมากมายจะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกน้องบริวารก็คงไม่มีโอกาสที่จะคิดได้เพราะเหตุใดเพราะว่ า, เ, าเรามีภาระธุระจะต้องดูแลการงานแต่ถ้าเราออกมาอยู่ในป่าตามลำพังนั่ง <c oughs> นั่งขสมาธีแล้วนั่งคิดทั้งวันช่วงไหนที่มันก็คิดว่าจะหาทางออกหาทางแก้ไขยังไง จะหาหนทางที่ไม่มาแก่ไม่มาแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องมีช่องทางนี่แหละอันนี้คือแนวความคิดของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตัดสินพระไทยตัดสินใจออกจากเวียงวังในในช่วงนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสินใจจริงๆออกจากเวียงวังไปอยู่ อ, อยู่ในป่าอพอออกเวลากลางคืนเที่ยงคืน กับนายฉันน่ะสองคนพระองค์ก็นั่งขี่ม้าขันตะกะานายชันนะกาะเกาะนั่งซ้อนซ้อนท้ายจากด้านพระองค์ก็นั่งขับม้าไปถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าจากกรุงกบิลพัทไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีที่พระพุทธเจ้าทรงผนวดห่างกันประมาณสองร้อกว่ากิโลก็ไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะ <c oughs> ไกลทีเดียวจากจาก <c oughs> จากอุดรไปขอนแก่นเพียงร้อยี่สิบกิโลอันนี้ถึงสองร้อยกิโลโคงจากนูน่นเกือบถึงพี่ไม้บนั้นกำมังกกไก่พอต้องขวดที่ม้าวิ่งไปจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ทรงพนวดบวชอยู่ตามลำพังเป็นเวลาถึงหกปีเนี่ยนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นคว้า หาช่องทางที่ว่าจะทำยังไงเพราะถ้าจะว่าไปถ้าเรานึกนึกดูแล้วก็พระพุทธเจ้ากลัวตายกลัวตายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายท่านจึงหาช่องทางทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายพออยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่พุทธบารมีของพระองค์ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีของพระองค์ก็พร้อมท่านจึงนึกคิดหาทางออก จากนั้นพระ อ, องค์ก็ไปอยู่ในป่าบําเพ็ญหลายๆายอย่างลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับท่านไปค้นคว้าศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์หรือหาความรู้บางอย่างที่ท่านต้องการแต่นี่ท่านไปหาทางจิตศาสตร์คือทางด้านจิตใจจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ทดลองหลายหลายอย่างจนถึงอดประกยาหารถึง49วัน ท่านบอกว่าไม่ใช่ทางการอดพักยอาหารทั้งสี่เาไม่ใช่ทางจากนั้นพระองคนน์ก็นึกลำาลึกถึงว่าสมัยท่านเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กไปแลกนาขวัญกับพระปิดาไปนั่งยุทธิคโครนต้นว่าจากนั้นท่านก็ได้พอนางสนมกำนันพี่เลี้ยงนางนมหนีออกไปไปชมการ แลกนาขวัญของพระบิดาปล่อยให้พระ อ, องค์อยู่ตามลำพังอยู่ที่โคลนต้นว่าพระ อ, องค์ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ น, นั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเน่งจากนั้นออพอได้เวลาสนมกานันแม่เลี้ยง นางนมก็เข้ามาพ่อมาเข้ามาแล้วก็พระองค์ก็ออกจากสมาธิตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ไม่เคยไม่เคยนั่งสมาธิอีกเลยแต่ทําไมพระองค์จึงทําได้สมัยเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กก็เพราะว่าอุปนิสัยเก่าแก่ของพระองค์สมัยพระองค์ชาติพบชาติก่อนนั่นพระองค์ก็ได้เป็นฤาษีสีพรยมาก่อนเพราะฉะนั้น อุปนิสัยเก่าของพระ อ, องค์นั้นเมื่อมานั่งสมาธิเมื่อมามาถึงจุดนี้พอเห็นความสงบงบเงียบไม่มีใครพุกพ่านวุ่นวายพระทัยใจของพระ อ, องค์ท่านก็คงจะเป็นอุปนิสัยเก่าพระ อ, องค์ก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธินี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ปถมประถมเรื่อง ของชิตถตเนะี่ยแต่นี้พระ อ, องค์ก็ไม่ได้ธทำไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้นั่งภาวนาต่อไปจนถึงพระ อ, องค์ได้เสวยราชสมบัติได้เข้ามงคลสมรสกับนางพิมพายโสธราจากนั้นก็อายุถึง29ปีจึงได้ทรงออกทรงผนวดเมื่อทรงออกทรงผนวชอายุถึง36มสิบหกปีไ ป, ไปอยู่ธในป่าทั้งหปี อายุสามสิบกว่าปีอาจจะสามสิบห้าสามสิบหกปีพระองค์ก็ได้เ อ, อเมื่อนั่งขัดสมาธิถึงหยุดในป่าหกปีเอ่ที่เราไปแรกนาขวัญข้าพระบิดาข่าวนั้นน่ะ อ, อที่เราเป็นศิริษฐาจะเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กน้อยข่าวนั้นน่ะอันนั้นก็มั้งเป็นหนทางฮะเพราะท่านทุกอย่างท่านก็ทําไปแล้วเนี่ยตะอดประกายาหารเอ อ, อะไรตัวไม่อะไรแต่พอท่านมาละลึกได้จุ นี้นะท่านคอคงจะใช่หนทางจากนั้นพระองค์ก็ได้วันเดือนหกเพนนอนายโสธิยะไปเกี่ยวหญ้าคาในละแวกนั้นนายโสธิยะได้หาหญ้าคาผ่านมาเห็นสิทธัตถานั่งอยู่ตามลำพังอยู่ที่โคลนต้นโพธิ์สิทธ์นายโสธิยะก็ได้นำหญ้าคาเข้าไปมอบให้สิทธัตถะท่านสิทธัตถะก็ได้หญ้าคาแปดกำมือ ที่นายโสธิยะนำมามอบให้นำมาถวายให้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เอาหญาคา8ปดกมือคงจะประสานกันหัวท้ายละม เ, เป็นอาสนะที่นั่งจากนั้นพระ อ, องค์ได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่บนหญาคาแล้วก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อนั่งเมื่อหัน ห, หน้าไปทางพิศตะวันออกแล้วก็ น, นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง นำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อพระ อ, องค์นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกพระไทยใจของพระ อ, องค์ไม่ได้คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเนื้อเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะนาเกิดฌานขึ้นมาเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมาในช่วงนั้นท่านตั้งเป็นพระบาลีว่าปุเพนิวาสานุจติยาิลำลึกชาติขนหลังได้เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้ า, าท่านบอกกล่าวไว้เลยว่าตายแล้วไม่สู่ ตายแล้วเกิดอีกถ้าหากว่าพระพุทธองค์ระลึกชาติลดหลังขนหลังได้แต่แสดงว่าพระพุทธองค์มีชาติที่แล้วแต่ถ้าพระองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติขนหลังได้อย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบอกปุพเพนิวาสานุสติญาณคือตอนหัวค่ำระลึกชาติขนหลังได้ชาติที่แล้วเรามาจากไหนเรามาจากไหนมาเกิดเป็น สิทธิฐานที่กรุงกบินพัตท่านบอกมาจากสวรันชั้นรุสิษฐ์ก่อนที่จะไปขึ้นฉวันชั้นรุสิษฐ์นั้นมาจากไหนมาจากพระเวชชันดอดออกจากพระเวชชนน์มาจากไหนท่านจะไล่เรียงเป็นลๆๆําดับลําดับอันนี้ก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณลํา ล, ล, ลึกชาติคนหลักได้พอถึงเที่ยงคืนตูตูปะปาตายานการจุติของสัพสัตทั้งหลาย อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งโดยการทั้งหมดพระองค์ก็มองดูออกไปข้างนอกว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นมาอย่างไรทำไมไม่เหมือนกันบางทีก็ร่ำรวยบางทีก็สติปัญญาเสียแปลมบางทีก็ความมั่งมีสีสุกแตกต่างกันตลอดถึงยศถาบรรดาศักดิ์ทำไมไม่เหมือนกันพระองค์บอกว่ากรรมคือการกระทา ท่านมองมองดูแล้วคือกรรมคือการกระทาคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันโทษไม่เหมือนกันในเมื่อการกระทาไม่เหมือนกันในเมื่อผลกรรมตัว น, นั้นน่ะในชาติที่แล้วเนี่ยมาส่งมาถึงชาตินี้ชาตินี้ก็แตกแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเอ่อทำกรรมไม่ทาไม่ทํากรรมไม่เหมือนกั น, นอันนี้แหละหลักธรรมคาสอนของพะระเจ้าวะจตูปปาตยา น, นยจุดนี้ พอถึงที่จวนสว่างาาเราอาสาอาสาวัคยญาญญาญอย่างรู้ว่าพระองค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้อตมาภาพในพูดให้ฟังนี่คือคือเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นแนวทางสําหรับพุทธะที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นท่านได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพจ น, นั้น อันนี้ก็คือเป็นกระจกเหาจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสาวกทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในาการบาเพ็ญของแต่ละสาวกนะไม่เหมือนกันอีกทีนแต่บางคนบางท่านก็ล่มหลงในการเป็นอยู่บางทีก็ไม่ได้เคยคิดเลยว่าอันนี้คืออะไรในครั้งพระพรธเจ้ายังมี ตระกูลเก่าแก่เศรษฐีท่านหนึ่งเอ่อตระกูลเก่าแก่เศรษฐีท่านหนึ่งเอ่อท่านได้มาแต่งงานกับเอ่อเศรษฐีในกรุงเอ่อกรุงสาวัตถีพอแต่งงานเสร็จแล้วท่านก็เอ่อหญิงเอ่อเก่าแก่หรือว่าเป็นตระกูลเก่าแก่ท่านก็มีลูกขึ้นมาพอมีลูกขึ้นมากำลังเด็กกำลังน่ารักเอ่อปีหนึ่งเอ่ออายุได้ปีเดียว จากนั้นเท่ากับเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันเลยตายลูกตายแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าความตายนั่นคืออะไรเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้คงจะไม่มีโรงพยาบาล เ, เป็นชิ้นเป็นอันสมัยก่อนจากนั้นนางก็อุอ้มลูกไปหาหม อ, อไปถามชาวบ้านเขาบอกว่า มียาไม่ไหนลูกของฉันทําไมไม่กระดุกกระดิกเอไม่ร้องไห้ไม่เหมือนตะก่อนอทําไมลูกของฉันเป็นอย่างนี้อคนทั้งหลายเอ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันนี่มันคนตายแล้วนี่เออมันคนตายเด็กตายแล้วลูกตายแตายยังไงตายก็ยังอยู่นะเนี่ยออหญิงที่คนเขารักนะรักลูกเนะนี่ยบอกว่าตายยังอยู่อยู่ยาไปตายไปที่ไหนเอก็ไม่เห็นรูปร่างมันเหมือนเก่าอยู่นี่ก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไร ต้องมียานะแต้องมียาท่านนี้นางคนนั้นน่ะนางชื่อว่ากีสาโคตมีนอ้อมโลกไปหาใครต่อใครใครต่อใครเขาก็มันตายแล้วเด็กน้อยตายแล้วเออแต่ก็แต่แก่ก็ยังไม่ยอมเพราะมันต้องมียาเพราะมันยังมีตามีหูมีจมกูกมีอะไรครบทุกอย่างแต่เขาลืบดูที่ว่าลมหายใจเข้าออกมันหมดแล้วหมดลมหายใจพอต่อมาเนี่ย อุ้มไปไปเห็นทายกคนหนึ่งเอที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอพอเห็นทายกคนนี้โอ้อินางคนนี้นะ่ะ เ, เขารักลูกเขามากแต่จะทํำยังไงได้ลูกเขาตายแล้วเนี่ยอจะใครหนอจะสอนเขาได้เขาคงไม่เชื่อใครฟังฟังใครง่ายๆ่แต่ถ้าหาว่าเขาไปอย่างนี้นะแล้วจะทํายังไง เขาไม่รู้ว่าความตายนั่นคืออะไรอีตงอางหาเขาคงจะเป็นได้ลูกคนคนคนคนี้เป็นคนแรกของลูกของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงเขาจึงทําอย่างนี้แต่นี้บมรุษคนนั้นเป็นผู้ฉลาดเป็นทายกของวัดป่าเชตวันแต่ก็บอกออว่ยายอมยิ้มยายนางเออเรารู้แต่เราไม่รู้ยานะแต่ให้ไปไปถามพระพุทธเจ้ า, าดูนะ ท่านอยู่ที่วัดป่าเชตวันให้ไปถามดูว่ายายาที่จะรักษาลูกของเจ้าเนี่ยหายได้ถ้าว่าท่านให้นะไปถามถามท่านดูท่านจะต้องมียา เ, เขาค็อยากจะให้อยากจะไปรักษาอยู่แล้วอยากจะให้ลูกหายอยู่แล้วเนี่ยเพราะลูกลูกไม่กระดุกกระดิกเนี่ยเขาก็ปีเข้าไปเลยอุ้มเข้าไปไปลูกไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่า เออเขาแนะนำมาเนี่ยเราจะสอนเขาอย่างไงตอนี้ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าข่าเนี่ยลูกของหนูเนี่ยเออไม่กระดุกกระดิกเลยอยู่อยู่อย่างแนจะมียาไม่หนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ว่ามีไปเถอะนะนางให้ไปเอาเม็ดพันผักกาดเ อ, อ่อหยิบมือหนึ่งไม่ต้องมากหรอกหยิบมือหนึ่งแต่ว่าเมื่อไปถามบ้านหลังใดก็ตามให้ถามว่า เ, เม็ดพันธุ์ประกาศมีไหมกว่าไม่มีแล้วก็หยิบเอามาท่านพ่อให้ถามเขาด้วยว่าบ้านหลังนี้คนเคยตายไหมถ้าว่าคนไม่เคยตายในบ้านหลังนั้นะเออเอามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํายาให้ไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปหาไปที่นี้นางคนนั้นก็ไปพอได้ก็ไปถาม ม, มีเม็ดพันธุ์ประกาศไม่มีเ อ, อพอจากนั้นมาพอเอาเม็ดพันธุ์ประกาศมาให้เสร็จแล้ว บ้านหลังนี้มีคนเคยตายไหมโอ้ยคนตายมันมากกว่าคนเป็นเอีเพราะเป็นบ้านเก่า เ, เอ่อแล้วก็บ้านหลังไหนกับหลังนั้นเถ้ะเออพ่อแม่ตายพี่น้องตายวงศาคานาญาติตายลูกหลานตายมันต้องมีคนตายตระกูลของเขาแต่ละคนนางคนนี้กับไปจนอิดอ่อนจนเหนื่อยพอเสร็จแล้วก็เห็นแต่คนพูดอย่างเดียวว่าตายโอ้ยเออพอในสุด ตัวเองโอตายลูกของเราเนี่ยคงจะตายอย่างที่เขาวาด น, นางก็เลยเอ า, เอาไปหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบนะเพราะเมืองอินดียเขาไม่ได้ฝังได้เผานะเาขาผ้าห่อเสร็จแล้วเขาก็โยนเข้าไปในป่าช้าผีตายเพราะมันตัวแข็งขึ้นเรื่อยๆรนะ่เอเนีมันไม่อ่อนเหมือนแต่ก่อนนะเด็กตายนะเนี่ยจากนั้นก็นางก็เลยกลับมากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพระองค์หนูเนี่ยไปหาเม็ดพันธ์ประกาศไม่ได้พระเจ้าค่ะพอไปถามใครเขาว่าคนตายมากกว่ามากกว่าคนอยู่ที่จะกูลของเขามีปู่ย่าตายายาญาติมิตรสายที่วงศาคณาญาติของเขาไม่มีที่ที่บอกเม็ดพันธ์ประกาศในบ้านคนที่ไม่ตายพระเจ้าค่าเพราะพระองค์บอกว่านนาง กีสาโคตมีให้เธอนึกคิดเอาท์เธอนะนี่แหะชีวิตของคนเราเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะเกิดแก่เจ็บตายเนะี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นท่านเธอทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีอันนั้นแหะเป็นหนทางแต่เกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ แนอกจากเราทําคุณงามความดีท่านั้นแหละที่จะสั่งสมเข้าสู่จิตใจในเมื่อเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดเพราะนั้นให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายเนี่ยตายแน่นอนทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ตายจากนั้นนางนนก็เลยเห็นโทษเพราะความรักรูปของตนเองจากนั้นนางก็เลยขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่งเข้าไป เป็นภิกษุณีเขาก็ได้บวชพอบวชเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปทําอกิ จ, จวัตรข้อวัตถิบนญสาลาระเขาใจ้ยเจ้จุดจุดเทียนนะพอจิตจุดเทียนขึ้นมาแล้วเขาก็พนมมือเขาก็ดูดูเทียนอพอดูเทียนมันเทียนอมันถูกมันถูกลมลมพัดลมมันก็กระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบเอมันหวันไหว เออนางก็โอ้เนี่นแะร่างกายของคนเราเนี่ก็เออมันไม่เทียงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการชะทานหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเร า, เาเกนน็เหมือนกันเนี่แหละเหมือนกระแสงเทียนผลในส่ก็เนี่ยผลในส่วนก็ถึงจุดจบเออเทียนก็มอดมอดไหมลงถึงน้ํามันมันก็หมดแล้วก็ดับชีวิตของพวกเราเนี่ยของเราเองเนี่ยมันก็เหมือนกับ เทียนนี่หนอนะี่นี่แหละอันนี้ท่านเห็นอเ น, นจังจากนั้นพระพุทธองค์ทราบวาราจิตของนางพระองค์ก็ได้เพ่งดวงใจออกมาจากนั้นกแสดงทําให้ฟังจริงอย่างนั้นกีสาโคตมีร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนขอให้เธอทั้งตั้งอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดี นั่นแหละการเห็นอันิจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วก็เห็นความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นพระนิพพานลเลิศประเสริฐที่สุดแต่ก่อนที่จะเห็นพระนิพพา น, น, นก็ต้องเห็นอันิจังทุกขังอนัตตาซะก่อนจากนั้นจะทําใจให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจากนั้นก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้คือพระองค์แสดงให้นางกีสาโคตมีฟังเมื่อท่านได้ฟังจากนั้นท่านก็ได้ สำเร็จเป็นพระอระหันต์เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนานี่แหละสรุปแล้วก็คือคนสมัยก่อนที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่านสรุปแล้วก็คือต่างคนก็คงต่างอยู่คงจะไม่ได้มีโรงพยาบาลไปมาหาสู่ก็คงจะลำบากแต่ท่านก็ได้ปฏิบัติ ได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ถึงยังไงก็ตามมาสรุปแล้ ว, ท า, าวทางพระพุทธเจ้ากดีทั้งสาวกกดีสาวิกากวีสาวิกาก็คือภิกษุณีคือฝ่ายผู้หญิงสาวกก็คือฝ่ายผู้ชายก็มีมากต่อมากที่ท่านได้ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือท่านให้ ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินที่ท่านนั่งชุดวิโครนต้นโพอย่างที่ว่านอางนั้นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวของเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติท่านก็มาแนะนำมาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายบอก ว, ว่าวิธีการปฏิบัติจักจะสํารวจสำให้สันตรวจ ดูว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนั่นน่ะให้นั่งสมาธินะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวนะให้สำทับกับพุทโธเขาด้วยนะ ถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆทำให้หลงลืมเพลอะเลอได้ลืมลืมได้เพลอได้เผลอได้ง่ายเพราะได้สัมพับกับหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมวัดโถพดโถพดโถเนี่ยถ้านะเมื่อเราทำอย่างนี้ใจของเราจะเข้าสู่ความสงบในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจใจกับร่างกายของเรา เป็นคนละอ่านกันนะท่านบอกว่าร่างกายหนึ่งเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถไม่ไม่ใช่ไม่ไม่อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถในเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจรวมสงบแล้วเราจะเห็นได้ชัดอย่างนั้นเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันแต่ร่างกายในแต่ตายสลายเท่าแก่ชราลงไปแน่แต่จิตใจนั้น ไม่มีการเท่าไม่มีการชลาให้เข้ามาอยู่ในร่างพอออกพอร่างกายหมดสภาพแล้วใจดวงนี้ก็ออกจากร่างไปเหมือนกับรถของเราเราใช้มาหลายปีรถหมดสภาพพอรถหมดสภาพโซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถทิ้งรถคันนี้ไปหาซื้อรถคันใหม่อีกนี่ก็เหมือนกันนะใจกับกายกายกับใจของเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้น ท่านจึงบอกว่าก่อนที่โซเฟอร์จะออกจากร่างกายนั้นนะ่ะโซเฟอร์มีทุนอะไอย่างและคิดหาทุนอะไอย่างจุดนี้เป็นจุดที่จําเป็นและสําคัญสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านไปสแสดงธรรมไปเทศโปรดนายช่างทองอพ่อของนายช่างทองอมีอายุมากในกรุงสวัสถีลูกชายเนี่ยไปวัด ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสแต่ชวนพ่อไปพ่อไม่ยอมไปไม่ไปวัดถึงพ่อไม่ไปก็เถอะเขาเป็นอภิชาตตบุตร เ, เพราะว่าอยากจะให้พ่อเนี่ยได้รู้ในรถได้รู้สึกนึกในทำคำสอนเขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านที่ร้านทองออทีนี้พอมานิมนต์ ม, มาพระพุทธเจ้ามาฉันที่ร้านบ้านตัวเอง ผู้เป็นพ่อเนี่ยจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงถิ่นก็ต้องมาต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์แต่เนี้พอพระพองค์ฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์พระพุทธองค์กเ็เป็นเป็นองค์แสดงธรรมพอพราหมณ์เข้ามาใกล้นะเจ้าของร้านผู้เป็นพ่อเน่ยเข้ามากับลูกๆนั่งพร้อมๆกันพระพองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ดูก่อนทายกทุกคนดูก่อนโยม เอท่านจะได้เดินทางไกลนะท่านจะต้องเดินทางไกลแต่ท่านได้เตรียมเสบียงไว้แล้อย่างแล้วก็ท่านได้เตรียมสถานที่พักไว้แล้อย่างอุปกรณ์ในการเดินทางท่านได้เตรียมไว้แล้อย่างท่านจะเดินทางไกลนะอีกสักวันหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแหะเพราะนั้นท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะถ้าว่าท่านไม่ได้เตรียมไว้นะท่านทุกนะลําบากนะ ในการเดินทางเพราะนั้นท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมถ้าท่านเตรียมพร้อมแล้วนั่นะการเดินทางของท่านก็จะรับความสะดวกสบายเพราะนั้นให้ท่านเตรียมพร้อมอย่างที่เราพูดเราตรัสให้ฟังจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงถึงอนิจังทุกขังอนัตตา เ, เสร็จแล้วพระโงค์ก็กลับไปพอวันที่สอง แลูกชายก็นิมนต์มาอีกนิมนต์พระเจ้ามาฉานอีกพระองค์ได้แสดงธรรมให้ฟังเขาได้สําเร็จพระโสดาบันจิตใจของเขาอ่อนน้อมและยอมรับเลยทีนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการเดินทางไกลนะั่นคืออะไรสรุปแล้วพูดง่ายๆกว่าดูก่อนพรามอีกสักวันหนึ่งนะท่านจะต้องตายนะในเมื่อท่านตายไปแล้วนะท่านได้เตรียมพร้อมหรือยังในการเดินทางบุญกุศลท่านมีหรือยังถ้าท่านไม่มีท่านต้องสแสวงหาไว้นะ ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะแล้วท่านจะไปพักที่ไหนจะไปพักไปพักสวรรค์ชั้นไหนท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือท่านจะไปที่ไหนท่านต้องคิดไวนะ้นะอนี้เราพระองค์ท่านตเตือนกล่าวให้พราหมณ์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะนั้นในธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านพูดตามความเป็นจริงให้เป็นให้พวกเราท่านทั้งหลายได้นึกได้คิดไข้ ค, ควรพบทวนในการเป็นอยู่ของพวกเราสรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้กล่าวยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่ามรณะทมโมหิมรนรรมมมัรนงอนตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ขยะวยะธรรมมาสังคารา ส, สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ถึงอย่าอย่าให้อย่าถึ ง, ใ ห, ถงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือพระพุทธองค์ท่านตัดคํานี้ ตอนที่พระพทองค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพนนนะ์ที่เมืองกุสินาราพระพระธองค์ได้สั่งกับเสียกับพระสาวกทั้งหลายว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกเลยจากนั้นทำการปรินิพานพาสิทธิ์คำนี้ท่านบอกกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนกับครๆว่าให้มองดูว่าคุณงามความดีของเรามีเพียงพอหรือยังในการเป็นอยู่ของเราเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็พร้อมกันก็ให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเราพอที่จะช่วยเหลือชุมชนได้ก็ให้ช่วยเหลือชุมชนอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้ช่วยเหลือตนด้วยให้ช่วยเหลือชุมชนด้วยเพราะร่างกายเนะี่ยมันมีจุดมันถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งว่าข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพเรยกเป็นพุทธภา ษ, ษิตว่ามรณะทำโมหิ ค, ค, คือความตายไม่ไม่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ฟังว่าทุกชีวิตเป็นอย่างนี้ ให้คิดดูกันแล้วกันว่าทุกชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้ทางที่หลวงพ่อเองเป็นผู้พูดหลวงพ่อก็ต้องไปในรูปลักษณะอย่างนั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้แต่ในหลักธรรมคาสอนอว่าตายแล้วไม่สูญคํานี้ให้ศึกษาเราจะศึกษาได้ยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่านั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย ทำกายให้ตรงทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอย่างกันร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นแล้วจะทำยังไงเมื่อเราเห็นได้ชัดแล้วก็เรา ก, ราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันไหนเป็นคุณงามความดีอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศลอันไหนที่ จะทำคุณงามความดีเราขอบทำสิ่งนั้นสำหรับคารวสญาติโยมศิลห้าให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเมื่อได้ดีทั้งสามอยา่างคิดดีทำดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรือ ง, งทั้งคดีโลกและคดีธรรมเพราะนั้นการกล่าวสังเวชธ น, นิยกรฐานวันนี้ก็เห็นว่า สมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมและกับขอให้ดวงวิญญาณของอคุณตาอารุณแต่สุวรที่ท่านหลวงรับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจาก บงศาขณาญาติที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้อุทิสศส่วนกุศลให้ท่านถาดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจิ่งๆิ ง, งขึ้นไปแต่ถึงอย่างไรพวกลูกหลานคณนศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รู้ประวัติของท่านท่านเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรง เ, เป็นคนตรง เป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพวกเราหวังว่าพวกเราเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านตัวของท่านเองจงประสบคงจะประสบจากความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะบุญกุศลที่ท่านได้ทํำไว้ดีแล้วนั้นปุญญานิปละโล ก, กัสเมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นการที่ท่านได้ทำคุณต า, าได้ทำคุณงามความดีในไว้แล้วดีแล้วนั้นก็คงจะประสบความสุขความเจริญทั้งทั้งโลกนี้และประโลกภายภาคหน้านการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเกต ก, การเวลาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอคอยสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน